พากันตั้งใจฟังธรรมะถธอจะได้อธิบายให้ฟังในหัวข้อธรรมยอมรักษาธรรมผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วได้อย่างไรนี่เป็นหัวข้อธรรมที่จะ อธิบายมันธรรมชาติธรรมชาตินี่เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมแต่มันมีของแก้กันธรรมชาติที่เป็นกุศลธรรมชาติที่เป็นอกุศลมันยองมีอยู่นี่ในจิตใจของคนธรรมดาสามัญ ผู้ใดเกิดมาในโลกนี้จิตย่อมได้มีอารมณ์สองอย่างนี่นะเป็นเครื่องยูกับอย่างที่สามก็ได้แก่อารมณ์อันเป็นกลางกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแต่บางคราวเราก็อยู่เฉยๆหรือว่าความรู้สึกนึกคิดก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญออย่างนี้ก็มี บางคราวก็คิดเป็นบุญกุศลบางคราวก็คิดเป็นบาปอกุศลอย่างนี้บันี้คําว่าพ ร, พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติทำรมให้ตกไปในชั่วในที่ชั่วในที่นี่หมายเอากุศลทำหมายเอาทำฝ่ายดี เพื่อบุคคลใดมีใจน้อมไปในทางกุศลธรรมมากมากแล้วไม่น้อมเป็นทางอา ก, กุศลธรรมอย่างนี้กุศลธรรมก็ต้องก็ต้องรักษาจิตของผู้นั้นให้มีความคิดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่คิดไปในทางต่าเช่นว่าผู้เป็นนักบวช บวดเข้ามาแล้วมามองเห็นว่าตรรมเพศนี icon, ้เป็นเพศอันอุดมกลัวเพศ well ใดในโลกแล้วก็มีโอกาสได้ประพฤติกุศลธรรมมากกว่าเพศอื่นๆเช่นอย่างเพศฆรวาดอย่างนี้มันก็หมกมุ่นอยู่ในการงานการทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึ ก, กจิตใจให้สูงขึ้นไปด้วยคุณธรรมต่างๆได้ผู้ใดเป็นบันปชิตธรรมคิดเห็นว่าชีวิตของตนนี่มันสูงส่งแล้วมันก็รักษาความเป็นสมณะของตนไว้กุศลธรรมนะเมื่อ บ, คอบคุคคลใดบำเพ็ญ ให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วก็รักษาจิตของผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ต่ำผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองจะเห็นเองขึ้นมาด้วยตนเองผู้ใดไม่ปฏิบัติก็ย่อมไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นไอคนทั่วๆไปซึ่งเกิดมาในโลกนี้ ไม่ได้พบพุทธศาสนาไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ธรรมที่เป็นกุศลก็เจออัะไรก็ทําอ น, นั้นไปเจอธรรมที่เป็นบาปก็ทําบาปไปเจอธรรมที่เป็นบุญก็ทําบุญไปเช่นนี้มันถึงได้รับผลทั้งสองอย่างข้าวใดบุญให้ผลก็เป็นสุขไปข้าวใดบาปบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ไป เป็นอยู่อย่างนี้มาในสงสารคนเราก็ไม่ใช่ไปจะทาชั่วตลอดไปเวลาทําดีก็มีแต่ไม่พวกที่ไม่นับถือพุทธศาสนาถึงเวลาเขาทําดีเขาก็ทําอยู่อย่างนี้แหละแต่เวลาทําชั่วมันก็ทําไปโดยที่มันไม่นึ ก, กว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างนี้แหละ เราก็ทําไปมันก็ได้ผลทั้งสองอย่างเหมือนกันเนี่ยผู้จะนับถือพุทธศาสนาก็รือไม่นับถือก็ตั้งถ้าหากว่าทําชั่วลงไปแล้วนะมันก็ได้รับผลเป็นทุกข์เหมือนกันหมดเลยนะเป็นอย่างั้นขณะนี้พูดมาทําบุญกุศลแม้ฝรั่งมังค่าหรือว่าคนที่ไม่ใช่นับถือพุทธศาสนาเขาทํา ความดีเข้าไปเช่นอย่างเขาช่วยเหลือเกือ้อกูลแก่ผู้อื่นเขาสละทรัพย์ช่วยเหลืออส่วนรวมทํากิจกรรมอันเป็นประโยชน์แกส่วนรวมอย่างงี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาแต่ว่าความมุ่งหมายของการทําบุญเขานั้นมันอยู่แค่สวรรค์ว่ายังสูงเท่านั้นศาสนาอื่นนะ อยู่แค่สวรรค์ท่านั้นแหละแต่ทีนี้ในพระพุทธศาสตร์ขณานี่นะผู้ทาบุญกุศลมุ่งต่อพระนิพพานน้นเป็นจุดหมายปลายทางมันต่างกันตรงนี้เรื่องมันนะเพราะว่าพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสุขทั้งมวลไม่มีสุขอื่นใดยิ่งไปกว่สุขในพระนิพพาน ก็สุขไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาแม้แต่น้อยเดียวแต่ความสุขในโลกอื่นแล้วยังเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอยู่เป็นอย่างนั้นพระศาสดาทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจึงได้ทรงแสดงให้พุทธบริษัทนั้นได้พิจารณาให้เห็นด้วยตนเองเมื่อพิจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วการทําความดีอะไรก็ต้อง อุดทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์แล้วมุ่งหวังพระนิพพานเป็นผลอันสุดยอดเป็นความสุขอันสุดยอดเ ม, อเมื่อเมื่อชาวพุทธทั้งหลายทำกุศลความดีอะไรก็เพื่อเป็นพุทธบูชาธรมบูชาสังฆบูชาอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการบูชาพระคุณอย่างเลิศอย่างประเสรศิฐ ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่กว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นผู้สร้างบุญบา ร, รมีมานานตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปก็จึงเต็มบริบูรณ์จึงได้ตัดสู้พระพุทธเจ้าแล้วก็สุดท้ายพระ อ, องค์ก็ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนคนอื่นโดยไม่มีใครเป็นครูอาจารย์สั่งสอน พระองค์ค้นคว้าหาสัจธรรมคือธรรมจริงโดยลาพังพระองค์เองดังนั้นพระองค์จึงทรงพระคุณอันสูงสุดกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายชาวพุทธเรามารู้พระคุณอันบริสุทธ์พุทธผ่องของพระองค์อย่างนี้แหละเราจึงนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐเช่นนั้น ผู้ใดทำบุญกุศลถาวายทานอุทิศต่อพระองค์ก็ได้บุญกุศลมากมก็เหมือนยังเคยอุปมาให้ฟังมาอยู่บ่อยๆเหมือนยังบุคคลไปได้ที่ดินที่สวนที่นาดีๆมีรถดีมีน้ำอุ ด, ดมอย่างนี้เนี่ยปลูกพืชพันอะไรลงไปมันก็งามได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าไปได้ที่ดินที่ไม่มีค่อยมีไม่ไม่ความมีรสชาติน้ำก็อดหายากอย่างนี้นะจะปลูกฝังพืชพันธุ์อะไรลงไปมันก็ไม่งอกงามเต็มที่สูบซีดได้ผลน้อยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้านั้นอุปมาหรือพระสงฆ์สาวกของพระองค์นั่นอ่ะอุปมาเหมือนอย่างเนื้อนาหรือว่าที่ดินที่ดีๆมีรส ดีอย่างนั้นแนะบุคคลผู้หวังบุญกุศลหวานพืชคือให้ฐานลงไปในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เช่นนั้นเนะ่ะบุญกุศลย่างงอกงามเจริญพีโยยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนใส่ที่ดินที่มีรสชาติดีอุ ด, ดมด้วยน้ำก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเมื่อได้ทราบ พระคุณดั้งสามนี้เป็นพระคุณอันบริสุทธ์พุทธผ่องประเสริฐส่วนพระธรรมนั่นก็ได้แก่โลกะธรรมเป็นธรรมอันบริสุทธ์พุทธผ่องไม่มัวหมองด้วยสัพพกิเลสทั้งหลายอย่างนั้นจึงทรงคุณอันประเสริฐยิ่งผู้ใดได้บูชาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ด้วยการ อามิสบูชาบ้างปฏิบัติบูชาบ้างอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานั้นแ่ะเหตุที่จะว่ามีผลมากนะทีนี้กรงกันข้ามก บ, บุคคลผู้ทําบุญให้ทานแก่ บ, บุคคลที่หนาเน่นไปด้วยกิเลสตัณหาบาปกรรมเส่นคนยากคนจนอะไรไม่รู้แต่คนมีบาปทางนั้นเนี่ย อืคนไม่ยากไม่ฉนก็าตามถ้ามันมีกิเลสตัณหาบาปกรรมหนาแน่นอยู่ในจิตใจเราเขาไม่มไม่มีคุณถ้าทาอันสูงส่งอะไรฉะนั้นแม่จะให้ทานมากมายอย่างไรมันก็มีผลน้อยเหมือนอย่างาคนไปปลูกพืชพันธ์ต่างๆบ่มป่าไว้อย่างนี้นะบ่มป่าหญ้าไว้อย่างนี้นะเราคิดดูสิ แล้วมันจะขึ้นได้เหรอมันจะงอกงามทีดอกออกผลได้เต็มที่หรือไม่เลยี่เพ อ, อไปปลูกต้นพลิกต้นเขือต้นมะม่วงอะไรมุมป่าหญ้าเข้าไว้อย่างนี้นะมันก็สูบซี่นะี่ยหญ้ามันก็เลี้ยงกินอาหารของต้นไม้นั้นไปต้นไม้ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเพียงพอมันก็ไม่งอกงามเจริญเท่าที่ควร มันก็อย่างนั้นแหละเราต้องรู้ต้องเข้าใจอพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตตนี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วก็จึงมีผลมากังนี้พระพุทธเจ้า พระรงแสดงพาสิทธิ์นี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดิ่งให้แก่เทวุเทวดาทั้งหลายฟัง <c oughs> ดังนั้นพุทธบริษัทเมื่อได้ทราบเหตุผลในการทำบุญอย่างนี้แล้วก็จึงได้มุ่งตอบพระสงฆ์สาวกของโภวิภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนั้นผู้ใดยังไม่รู้ นแห่งพระพุทธธระธประสงค์อย่างจริงจังก็ไม่ไม่ดิ้นรนแสวงหาก็ทำบุญไปตามได้ตามมีนั่นแหละมันความรู้ความเข้าใจของคนเรามันยิ่งกว่ากันย้อนกว่า ก, กันเพราะฉะนั้นน่ะคำว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติทำไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่ ก่อนในเมื่อเราได้ประก็พิธตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าให้ถูกต้องด้วยดีแล้วพระธรรมย่อมรักษาจิตใจของผู้นั้นไม่ให้ตกต่ำจริงๆเช่นอย่างุคลทาบุญบริจาคทานอย่างนี้นะเมื่อทานโดยถูกต้องตามองค์แห่งการให้ดังกล่าวมานั้นะ มันก็ได้บุญกุศลมากอืมบุญกุศลก็รักษาดวงกิจไว้ไม่ให้เป็นคนตเนี่เหนียวเน่นไม่ให้เป็นคนโลคโมโทสันอืมนี่แหละอํานาจแห่งทานการกุศลทําให้คนเราใจมีเมตตาอารีเมื่อทําบุญในทานมากเขาแล้วอันซึ่งจะกลายเป็นคนใจดําไม่มีคนใจดํานั่นล้วนแต่คนไม่ได้ทําบุญในทาน ไม่มี ม, มีจิตประกอบไปด้วยความโลภได้สมบัติมาเท่าไรแล้วก็ไม่พอเฮงเลงไปแย่งสิ่งเอาสมบัติผู้อื่นนั่นเข้ามาอีกนี่เรียก ว, ว่าจิตมันตกไปในทางบาปอคุศลเพราะว่าไม่มีคุณธรรมรักษาจิตใจไว้อันผู้ใดได้ทำมุนให้ทานลงไป แล้วอย่างนี้ก็ได้ถือว่าเป็นผู้มีคุณธรรมคือมีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมอยู่ในใจจึงให้ทานได้ถ้าม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วให้ทานไม่ได้เรื่องมันนะเช่นอย่างญาติโยมที่ให้ทานแก่พระสงฆ์อย่างนี้นะก็ะเพาะว่าความเอ็นดูสงสาร พระสงฆ์นี่เป็นผู้เสียสละบ้านเรือนแล้วไปอยู่ในที่สงบสงับบำเพ็ญเพี ย, พยพรภาวนาเพื่อลากกิเลสทำกิเลสให้น้อยบาวบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจปฏิบัติตามหลักพระวินัยธรรมะคำสอนไม่ร่วงละเมิดทีนี้พระวินัยก็ห้ามไม่ให้พระภิกษุสามเณรทานะทาสวน ทำการค้าการขายหาเงินหาทองเช่นนี้พระนั้นจึงไม่ได้ทำงานการเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอย่างชาวบ้านถ้าคนดูผิวเผินคล้ายๆกับว่าพระนี่เกียรติค้านไม่ทำการทำงานอะไร อ, ะอย่างนี้แหละไปซ่อนตัวหาแต่ความสุขสนุกสนานอยู่แต่ในป่าในเขา ทำทีเหมือนอย่างว่าตนเป็นคนเคร่งครัดทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสนับถือนำจตุปัจจัยไปถวายสนุกใช้สนุกใจไอ้ผู้ที่มันมองไม่เห็นส่วนลึกของพระสงค์มันก็เพ่งไปอย่างนั้นแหละ ก, ก็เรื่องของความเห็นอันนี้จะให้มันกรงการนโมดไม่ได้หรอกเขาเห็นอย่างนั้นก็น เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นไปเรื่องของเขาในเรื่องของพระสงฆ์น่ะจิงโยพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบเหมือนกันทั้งหมดไม่มีดอกแม่แต่ครังพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระอรัชชีก็ยังมีอย่าว่าแต่สมัยนี้เลย <c oughs> ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงค่อยให้เลือกหนึ่ง การเลือกให้พระสถาคดเจ้าทรงสนรเสริญเถะเนี่ยเป็นอย่างนั้นผู้ใดรักษาศีลศีลก็รักษาผู้นั้นเมื่อให้ตกไปในทางบาปอากุศลเพราะว่าข้อศีลมันเป็นข้อห้ามไม่ทำบาปไม่ทำความชั่วอย่างนี้บาปนั้นมันอํานวยผลให้เป็นทุกข์ชาวพุทธผู้ที่รู้คำสอนพระพุทธเจ้าจริง มันก็ต้องกลัวบาปเพราะว่าบาปนั้นมันอํานวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะแล้วตนเองนะ่ะอยากทุกข์หรือไม่เลยไม่มีใครอยากมีความทุกข์ทนได้ยากลําบากอะไรอยากมีความสุขเรื่อยไปเมื่ออยากมีความสุขกันะั้นก็อยาไปทําบาปสมทานมั่นอยู่ในศีลให้ได้ผู้ใดอยู่ในเพศได้ พระศ า, าสดาก็ทรงบัญญัติข้อศินให้รักษาให้เหมาะสมกับเพศด้านนั้นอยู่แล้วดังนั้นผู้ใดอยู่ในเพศใดก็รักษาสินประเภทนั้นที่เหมาะสมกับภาวะของตนให้มั่นคงไปไม่ล่วงละเมิดอย่างนี้นะเมื่อไม่ล่วงละเมิดในสินแล้วอย่างนี้ จิตใจมันก็ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเนอืยที่พระพุทธเจ้าสอนห้ามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตเหมือนกับตัวของตัวเองนี่แหละตัวเราที่เป็นคนเนี่ยกระักชีวิตไม่ต้องการอยางให้ใครมาเบียดเบียนอ ม, มาฆ่ามาแกงอะไรเลยนี่บุคคลอื่นและสัตว์อื่น เขาก็ต้องการรักษาชีวิตของเขาไปจนหมดอายุสังขารตายไปเองนู่นแหะไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเลยไม่ว่าแต่มนุษย์สัตว์ยริฉานมันก็รักชีวิตมันเหมือนกันเมื่อบคุคคลใดมาคิดเทียบตนกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใส่กันอย่างนี้เทียบกับความต้องการปรารถนานะใส่กันแล้วเหมือนกันเลยอย่างนี้นะ เมื่อเห็นเหมือนกันแล้วมันก็ไม่ต้องการไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแหละวันนี้นะเพราะว่าทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นก็มีความรู้สึกเหมือนกันเลยจะไปทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นทำไมเมื่อเราไปทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นกรรมเวร น, นั้นมันก็ย้อนมาตามสนองตัวผู้ทาอีกทีหนึง่งไม่ใช่ว่าทำแล้วมันเลี้ยวไป เออการกระทํำนั้นมันไม่ตามสนองแก่ผู้กระทําอย่างนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ผู้ใดทํากรรมอะไรก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั่งอันนั้นนี่พระศาสดาก็แสดงไว้แล้วผู้ใดมาเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็มั่นอยู่ในศีลได้เลยวะนี้่มีธรรมคือเมตตากรุณเป็นเครื่องอุปถัมภ์ ศีลให้ยั่งมั่งให้ยั่งยืนอยู่ในจิตใจของคุณนั่นนี่นหละศีล น, นี่ก็จึงชื่อว่าเป็นพระธรรมเหมือนกันก็ช่วยรักษาจิตใจไม่ให้คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดเอื่นไอ้ผู้ที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดเอื่นได้นั่นมันก็เรื่องมาแต่มันไม่มีศีล น, นี่เองเนี่ยไม่สำรวมในศีลไม่มีเมตตากรุณาธรรมอย่างว่านั้นเนี่ย เหตุนั้นมันถึงไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้โดยไม่สงสารเอ็นดูกันเลยผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่าแล้วมันสงสารเห็นมนุษย์เห็นสัตว์ทั้งหลายแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเออสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นหนออย่างนี้นะไม่ไม่มีสัตว์จะพูกได้ เกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีเลยเราก็แก่เจ็บตายเหมือนกับบคุคคลอื่นและสัตว์อื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเบียดเบียนบคุคคลอื่นและสัตว์อื่นถึงไม่เบียดเบียนมันก็ตายเองมันอย่างนี้แม้บคุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จะได้มาเบียดเบียนเราต่างคนต่างให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยในวัฏฏสงสารด้วยดีเถิดก็เมื่อนึกคิดพิจารณาอยู่อย่างนี้เสมอเสมอไปอันนี้แหละท่านเรียกว่าจเจริญเมตตาเมื่อเจริญเมตตาบ่อยๆอย่นี้มันก็ไม่เบียดเบียงใครก็มีศีลสิอ น, น, นี้จิตก็เป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆแล้วไม่ตกไปทางบาปเลยวันนี้อืนี่แหละเพราะว่าศีลก็เป็นพระธรรม ประเภทหนึ่งอีกเหมนกันถ้าได้ภาวนาเข้าไปอย่างนี้มันก็ยิ่งภาวนานี่ยิ่งเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะเข้าไปรักษาจิตโดยตรงเลยแบบนี้ไปควบคุมจิตไม่ให้คิดพุ่งสั้นไม่คิดไปทางบาปอกุศลต่างๆนี่การภาวนาเรียกว่าเข้าใกล้คิดกับดวงจิตแล้วเหมายคําว่า สตินั่นแหละมันเข้าไปกำหนดรู้จิตอันเป็นปัจจุบันนี่อยู่เห็นจิตนี้มีคุณธรรมอะไรอยู่ในใจก็รู้ก็เห็นเช่นจิตนี้มันมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ก็รู้อย่างนี้นะสตินี่เออในขณะนี้จิตเรามันอยู่ด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมไม่ได้คิดเบียดเบียนใครไม่พอใจจะไปเบียดเบียนใคร มันก็รู้อย่างนี้สตินี่แหละสาคัญเมื่อเราว่าจิตของตนเป็นกุศลอยู่เนี่ยก็ประคองจิตนี้ไว้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ไปในขั้นนี้มันก็เป็นสมถะกรรมฐานเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราจเจริญธรรมมนในแล้วใจมันสงบลงมันไม่คิดไปทางบาปอากุศลอย่างนี้นะก็ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิมันเป็นอย่างนั้น ในขั้นต้นนี่นะจิตเป็นสมถะแปบลบว่าจิตสงบระ ง, งับจากกิเลสอย่างกลางนี่เมื่อจิตสงบระ ง, งับจากกิเลสอย่างกลางนี่มีสติประคองอยู่ได้นาน่าไรก็ยิ่งเป็นบุญกุศลไปเท่านั้นนี่แหละคุณธรรมเหล่านี้รักษาจิตไม่ให้หลงว่านี่การที่จิตสงบอยู่นั้นยอมรู้ทัวอยู่เสมอรู้ว่า จิตนี้ไม่ยึดถือสิ่งใดไม่พุ่งส่านไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดไม่วันไว้กับสิ่งใดมันรู้ตัวได้อย่างนี้นะเนี่ยจึงว่าสติธรมะชีญร์นี่เป็นธรรมเครื่องอุปการะเกือ้อกูลแกจิตใจนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรม เป็นอย่างนั้นจิตนี้ถ้าขาดสติสมบัติ ญ, ญาแล้วไม่ไม่ได้การเลยไม่ได้เรื่องอะไรคนมีจิตเลื่อนลอยอยู่ยนั้นมีแต่คิดพุ่งไปอดีตอนาคตเลื่อยไปที่จะมาทวนกระแส จ, จิตเข้ามาสงบอยู่ระงับอยู่ในปัจจุบันนี่ไม่ได้เลยเพราะมันไม่เคยทำ แต่ละวันแต่ละคืนก็ไม่ได้ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นนะ <_ d> um> เช่นนั้นแล้วมันจะมาน้มเข้ามาสู่ความสงบได้อย่างไรไม่ได้เลย <_ d> um> ดังนั้นแหละเราจึงต้องอบรมสติสมัมมาจิณญานี้มาตั้งแต่เริ่มการให้ทานมานู่นการให้ทานอย่างนี้เวลาทําบุญําทาน ไม่มีสติรักษาจิตใจเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาก็เสียอกเสียใจหรือว่าโกรธเกลียดขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็ทำให้บุญกุศลมันเสื่อมไปแทนที่จะได้บุญกุศลเต็มที่บุญกุศลกลับร่อยหลอลงไปเพราะว่าจิตตัวเองไปสมคบกันกับบาปอากุศล ไม่ยินดีอยู่ในบุญกุศลดังนั้นแหละท่านจึงสอนให้รักษาจิตให้ดีเวลาทําคุณงามความดีอะไรมันกำพักจะมีมารคือความชั่วมาแทรกแซงถ้าเรามีสติสมบัติเนี่ยตามรักษาจิตอยู่เนี่ยแม้ว่ามารคือความชั่วอย่างใดหนึ่งมันจะมาแทรกแซง รบควรจิตนี่ให้ตกไปทางอากุศลอย่างนี้มันรู้มันรู้ตัวแล้วมันก็ไม่ไปไม่ย้อนไหวต่อความชั่วร้ายสางๆที่มันมาแต่ข้างนอกนั้นไม่ไปแล้ววันนี้จิตนั่นไงเมื่อจิตมีสติคอยประคับประคองไม่ให้ตกไปทางบาปอากุศลอย่างนั้นอกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นในจิตใจนี่ไม่หยุดไม่ยอนแล้ว ก็าแต่ละกันอกุศลอย่ยาให้มันเกิดขึ้นในใจนี่สำคัญนะกามวิตกพยาบาตวิตกวิงสาวิตกอันนี้นับว่าเป็นเครื่องขัดขวางบุญกุศลไม่ให้เจริญงอกงามขึ้นได้อย่างเช่นบุคคลผู้มากมากไปในกามทั้งหลาย เวลาไหก็วิตกถึงแต่เรื่องรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องจำปัดอันสวยๆเงางามที่ผ่านตาผ่านในตาของตนไปว่าแต่รูปใดสวยงามไม่คิดอยากได้คิดรักคิดใครขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้นะแล้วเมื่อเมื่อมันยํบยั้งใจใไม่ไดมันก็แสวงหามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้นั้นไม่ก็ไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลความดีอะไรไปแสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราขอสมมติว่าสวยๆงามๆเท่านั้นเองอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าบุคคลผูใ้ใดมัวมาประมาทไม่ตามรักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้มีบุญคุณไม่ได้มีที่พึ่ง อยู่ในจิตใจของตนเลยในปัจจุบันก็ดีเมื่อปัจจุบันนี้ไม่มีที่พึ่งอยู่ในจิตใจแล้วละโลกนี้ไปแล้วมันก็เหมือนกันแล้วมันก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันเลยก็เล่ล่อนพเนจรป้ายตามยถากรรมไปอย่างนั้นแหละถ้าหาวกว่าได้ทําบาปไปมากเอมันจืรวกเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่มันยังไม่ได้ไม่ได้แล้วบาปกรรมมันจะฉุดคล้าไปสูน่นรกอบายภูมิโน่นนะหันทีเลย เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันวิถีชีวิตของคนเราต้องให้เข้าใจที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั่นก็ดังบรรยายให้ฟังมานี่แหละทานก็รักษาจิตไม่ให้เกิดความโลภความตีนี้เห็นแก่ตัวเมื่อให้ไปเบียดเบียนเอาสมบัติสมบัติของผู้อื่นอาเป็นของตนก็เมื่อแต่ของของตนมีตนยังให้ทานได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องอะไรนะจีเป็นยื้อแย่งเอาของผู้อื่นมะาเป็นของตนแต่ของตนมีอยู่แท้ยังให้ทานไปได้เนี่ยนะนี้แหละมันจึงว่าก <c oughs> ารให้ทานก็เป็นพระธรรมอันหนึ่งอย่างนี้พระธรรมคือการให้ทานก็รักษาจิตไปการรักษาศีลก็เป็นพระธรรมอันหนึ่งพระธรรมก็คือศีลก็รักษา มีศีลสัสมโรมศีลด้วยดีแล้วจิตมันไม่คิดไปทางอากุศลแล้วมันก็มีแต่บุญกุศลนั่นนี่อยู่ในจิตใจนั่นบุญเป็นของเย็นน่ยมันก็ทำใจสงบอยู่อย่างนั้นเนี่ยสงบอยู่ในความคิดทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลแล้วมันสงบมันรู้สึกว่ามันสงบอยู่โดยลาพัง แล้วเมื่อมันมีเหตุอะไรคนคิดมันก็คิดอยู่ในความสงบนั่นแหละคิดไปแล้วไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายแปลกับเรื่องที่คิดนั้นคิดอะไรก็รู้เท่าอันนั้นอย่างนี้นะคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็รู้เท่าเรื่องนั้นรู้อย่างไรอะรู้ว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตน นี่แหละการรู้เท่าความคิดนี่รู้อย่างนี้เองนะเมื่อรู้อย่างนี้อยู่เสมอแล้วจิตมันก็ไม่ยึดถือแนละ้วไม่ยึดถือความรู้สึกนึกคิดอ น, นั้นมันก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆคิดเรื่องอะไรขึ้นมาไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปจิตใจก็เป็นอุเบกหายานัทนะอยู่อย่างนั้นนะทั้งรู้ทั้งเห็นความเกิดความดับของสังขารของ นามรูปทั้งหลายอยู่อย่างนั้นขอให้พากันใคร่ควรพินิจพิจารณาดูให้ดีอันพระธรรมนั้นเป็นของประเสริฐล้ำเลิศอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันศึกษาค้นคว้าว่าธรรมเหล่านี้มีในจิตของเราหรือยังอย่างนี้นะทำมาหนึ่งได้แก่หินนิโอตประธรรมความละอายในการจะทําทความชั่ว ความกลั ว, วกลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ออย่างนี้นะมีไหมอยู่ในใจของเราอ่ะถ้ามีผู้นั้นก็ไม่หานทาความชั่วแล้วใจของผู้นั้นก็บริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่อย่างนั้นก็จึงเป็นสมาธิอยู่เรื่อยไปเมื่อมีสมาธิอยู่เรื่อยไปเรื่องอะไรมาถึงเข้า มันก็พิจารณาได้ปัญญามันก็เกิดจากสมาธินั่นเลยเห็นแจ้งชัดในเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกนี้เรื่องดีเรื่องชั่วทา่งงวทางๆมันก็เกิดแล้วดับไปไม่ไม่คงที่อยู่ได้แล้วก็พี่นายานั้นเรียวว่าจิตมันเลื่อนขั้นขึ้นขึ้นขั้นสูงขั้นปรมตท ธ, ธรรมแล้วอย่างนี้นะมันเห็นอะไรมันก็เห็น มีเกิดมีดับอยู่นั่นเป็นธรรมดาแต่ความรู้ความเห็นอันอยู่ในปัจจุบันนี่มันไม่มีเกิดไม่มีดับอไอความคิดต่างหามันเกิดมันดับไปความรู้เท่าความรู้แจ้งนี่มันไม่มีเกิดมีดับมันตั้งอยู่ในปัจจุบันนี่พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะประคองอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละการปฏิบัต ทำผู้ประพฤตริรมพระธรรมย่อมรักษากายวาจาใจของผู้นั้นไม่ให้ตกไปทางบาปอากุศลให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้